วันนี้เป็นวันพุทธที่ยี่สิบกรกดาคมพุทธศักราชสอง9ันห้าหเป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันแรกของพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุสามเณรในบาลพระพุทธศาสนาจะต้องอยู่จำพรรษา ตลอดระยะเวลาสาเดือนในที่ใดที่หนึ่งจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นยกเว้นในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่จำเป็นจริงๆเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยจำเป็นจะต้องไปดูแล ร, รักษาท่าน หรือที่พักอาศัยกุติวิหารมีสภาพชำรุดจำเป็นจะต้องไปหาวัสดุมาเพื่อมาซ่อมแซมก็อนุญาตให้ไปได้ไม่เกินเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ที่จำบรรษาต่อไป ประเพณีมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการเป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติขึ้นเนื่องจากว่ามีชาวนาชาวไร่ได้มากราบทูลเรื่องความเดือดร้อนที่เกิดจากการ เดินทางไปไหนมาไหนของพระภิกษุสา ม, มเณรเพราะช่วงระยะเวลาช่วงเขา้าพรรษานี้เป็นช่วงฤ ด, ดูเพาะปลูกชาวนาชาวไร่ทำไร่ไถนาหวานพืชกันเวลาพระภิกษุสา ม, มเณรเดินทางไปไหนมาไหนก็มักจะเดินรัดทุ่งรัดนาก็จะไปเหยียบ ทำลายพืชผลที่ชาวนาชาวไร่ได้เพาะปลูกเอาไว้ก็เลยมากาบทุนให้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบหลังจากที่ได้ทรงทราบแล้วก็เลยทรงมีพระบัญชาให้พระภิกษุอยู่กับที่ตลอดระยะเวลาสามเดือน นับตั้งแต่วันรมหนึ่งค่ำเดือนแปดไปถึงวันรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเ็ดเป็นเวลาที่เรียกว่าจำพรรษาไม่ให้ไปเดินทางไปไหนมาไหนนอกจากมีเหตุจำเป็นจริงๆก็ส่งอนุญาตให้ไปได้ไม่เกินเจ็วันเจ็ดคืน เราจะได้มีเวลาอยู่กับที่กับทางเพื่อที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมที่ได้ตั้งใจบวชมาเพื่อปฏิบัติการปฏิบัติก็ต้องมีการศึกษาต้องมีการอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์มีผู้คอยสั่งคอยสอน คอยบอกแนวทางของการปฏิบัติเพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและจะได้รับผลอย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้ามีครูบาอาจารย์อย่างพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนการบรรลุมรรคผลนิพานนี้เกิดได้ภายในเจวัน7เดือนหรือ7ปีอย่างแน่นอน เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ทรงบรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วเป็นผู้ที่รู้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมขั้นต่างๆดังนั้นเวลาสั่งเวลาสอนจึงสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยําผู้ปฏิบัติถ้านําเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลอย่างแน่นอน ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับเอ็นีของผู้ปฏิบัติคืออยู่ที่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาว่ามีมากหรือมีน้อยถ้ามีน้อยก็ใช้เวลามากหน่อยถ้ามถ้ามีมากก็ใช้เวลาน้อยหน่อยอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้มีผลแตกต่างกันไป อย่างในตอนที่ทรงแสดงธรรมครั้งแรกเมื่อวันอาสาฬหาบูชาที่ผ่านมานี้ไ ด, ได้ทรงแสดงได้ทรงแสดงทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางแห่งศีลสมาธิปัญญาได้ทรงแสดงเรื่องอริยสัจ ส, สีทุกสมุทยัยนิโรธมรรคหลังจากที่ได้ทรงแสดงเสร็จแล้ว มีหนึ่งในผู้ฟังที่มีอยู่ห้าคนในขณะนั้นคือพระปัญจวคีหนึ่งในพระปัญจวคีคือพระอัญญาณโกนทัญยะก็บรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ใจก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ไปอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่ดับไปเป็นธรรมดาพอเห็นว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาก็เลยยอมรับความจริงไม่ต่อต้านความจริง ไม่ไปอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไปเช่นร่างกายของพวกเราร่างกายของพวกเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์แต่ถ้าเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครมาหักห้ามมายับยั้งได้ ถ้าอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะทุกไ ป, ปเปล่าๆเพราะทุกใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากในกรณีนี้ก็คืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะไม่ยอมรับความจริงหรือไม่เห็นความจริงว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้ายอมรับความจริงแล้ว ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บความตายพระอัญญาโกนทานยะมีอินรี์ที่แก่กล้ากว่าพระปัญจวคีอีกสี่รูป mm hmm. จึงเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมก่อนส่วนอีกสี่รูปนี้ก็ใช้เวลาไปพิจารณาไถ่กวนอยู่อีกระยะหนึ่งแต่ก็ไม่นานก็ได้บรรลุกันขึ้นมา และมาบรรลุพร้อมกันเป็นพระอาหารหันต์คือทำขั้นสูงสุดในระยะเวลาต่อมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระอนัตตลักขณะสูตรทรงแสดงให้พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและธรมมารมณว่าเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ของเขามีเกิดมีดับเช่นร่างกายนี้เป็นธรรมชาติมาจากดินน้ำลมไฟธาตุสีนี้เป็นธรรมชาติธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินนี้เป็นธรรมชาติเหมือนต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเป็นธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมาแล้วก็ธรรมชาติก็เป็นผู้ให้หายไปให้ดับไปเพราะเป็นการรวมตัวของธาตุสี่และเป็นการแยกตัวของธาตุสี่เวลารวมตัวกันเข้ามาดินน้ำลมไฟก็มีร่างกายพอเวลาแยกกันออกไปก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไป ร่างกายก็หายไปไม่มีตัวไม่มีตนความรู้สึกนึกคิดภายในใจอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็ไม่มีตัวไม่มีตนมีเกิดมีดับมีความคิดปงแต่งแล้วก็หายไปมีความจำได้หมายรู้โผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปมีเวทนาความรู้สึกต่างๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไป มีธรรมอารมณ์ต่างๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปเปลี่ยนไปโผล่ขึ้นไปหายไปแล้วก็เปลี่ยนกลับขึ้นมาใหม่เป็นอารมณ์อีกอย่างนึงเป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเป็นความนึกคิดอีกอย่างหนึ่งเป็นความจำด้านหมายรู้อีกอย่างนึงของเหล่านี้เป็นของที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ไม่มีใครไปสั่งให คิดอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้ให้มีความรู้สึกอย่างนี้มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มีความคิดต่างไปมีความจําต่างไปมีความรู้สึกต่างไปมีอารมณ์ต่างไปนี่คือเรื่องของการพิจารณาสภาวะธรรมว่าเป็นอนัตตาถ้าไปอยากให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาาะจะไม่สามารถสั่งให้เป็นไปตามที่ต้องการได้เช่นไม่ต้องการให้ร่างกายนี้ตายก็ห้ามไม่ได้ไม่ต้องการให้เวทนาหายไปก็ห้ามไม่ได้ไม่ต้องการให้อารมณ์ที่ไม่ดีหายไปก็ห้ามไม่ได้ ของทุกอย่างเขามีเหตุมีปัจจัยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขามีเกิดมีดับไปผู้ฉลาดถ้าไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องสักแต่ว่ารู้รู้ว่ามีเกิดรู้ว่ามีดับรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่าไปอยากให้เขาไม่ดับหรือไม่เกิดไม่เปลี่ยนแปลงปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติ ตามเหตุตามปัจจัยของเขาแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆไม่ทุกข์กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ทุกข์กับธรรมารมณ์พอไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างก็หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากความอยากได้ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมอารมณ์ที่ถูกใจพอไม่ได้ดังใจพอร่างกายตายไปก็กลับมาหาร่างมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาหาสิ่งต่างๆที่อยากได้ต่อไปพอมาเกิดก็ต้องมีมาแก่มาเจ็บมาตายไป ตอหลังจากที่ได้ทรงแสดงอนตัตตลักกนัสสุพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะละความอยากได้ความอยากที่ให้ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและธรรมารมณ์นี้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึง ไม่มีความอยากให้เขาเป็นไปตามปล่อยให้เขาเป็นไปตามที่เขาเป็นไปเป็นแบบไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่มีปัญหาอะไรอารมณ์ความรู้สึกจะมีความสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขบ้างไม่ทุกบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรอารมณ์จะมีอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นปัญหาอะไรปล่อยให้เขาเป็นไปตาม เหตุตามปัจจัยของเขาถ้าใจไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใจจะไม่ทุกข์ใจจะมีความสุขตลอดเวลาท่ามกลางการเกิดการดับของสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้นี่ก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษา ได้ทรงปฏิบัติได้ทรงรู้ทรงเห็นวิธีการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจแล้วแล้วก็มาสั่งสอนให้กับพระปัญจวัคคีย์ได้อย่างถูกต้องในเวลาระยะเวลาไม่นานก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาหรูปคือพระปัญจวัคคีย์ห้ารูปและพระพุทธเจ้า เอกหนึ่งรูปพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอาหารหันต่างกันตรงที่ว่าทรงเป็นพระอาหารหันต์ตะสมมาสัมพุทธเจ้าคือได้ทรงศึกษาได้ทรงปฏิบัติโดยพระองค์เองจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเนื่องจากมีดวงตาเห็นธรรมว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นเกิดจากปัญหา คือกามวัฏันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาและทรงสามารถใช้มรรคคือศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องทําลายตันหาความอยากทั้งสามให้หมดไปจากจิตจากใจได้พระองค์เลยได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นผู้ที่สอนตนเองและปฏิบัติตนเอง ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยการเจริญมรรคเพื่อละตัณหาให้หมดไปจากใจจึงเป็นพระอรหรันตสาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสส่วนพระอรหันตสาวกนี้ก็คือผู้ที่ได้มาศึกษาได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีความสามารถที่จะศึกษา สั่งสอนตนเองและปฏิบัติด้วยตนเองตามลำพังของตนเองให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ให้สิ้นให้สิ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ดับกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ให้หมดไปเพราะไม่รู้จักเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากตัณหาความอยาก ไม่รู้เหตุของการละการดับความทุกข์อยู่ที่การเจริญศีนสมาธิปัญญาคือการเห็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเห็นอนิจจ์ก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างของของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของชั่วคราวมีเกิดมีดับไปเป็นธรรมดาไม่ได้เป็นของขายเป็นของธรรมชาติ ถ้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไปอยากให้เป็นของของตนอยากให้อยู่กับตนไม่เปลี่ยนแปลงไม่ดับก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะมันจะไม่ได้ดังใจอยากก็เลยต้องอาศัยคนอย่างที่คนอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นด้วยตัวพระองค์เองมาสั่งมาสอนคำว่าสาวกก็แปลว่าผู้ฟังนี่เอง ผู้ที่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามจนทำให้จิตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการกำจัดตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจก็จะเป็นพระอาหารหันตะสาวกเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันคือมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกัน ได้ไปถึงพันนิพพานเหมือนกันคือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันได้ปรมังสุขขังเหมือนกันได้นิบบานังปรมังสุขขังเหมือนกันต่างกันตรงที่ชื่อเท่านั้นเองคือคนหนึ่งเป็นผู้รู้เองเห็นเองปฏิบัติเองส่วนอีกห้าคนนี้ต้องอาศัยคนที่รู้เองเห็นเองคือพาอาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้บอกทางเป็นผู้บอกวิธีการปฏิบัติจึงไม่สามารถเรียกตนเองว่าเป็นพระอาหลันตัสา ม, มาสามพุทธเจ้าได้คือตัดสรู้ด้วยชอบด้วยตนเองได้เพราะตัดสรู้หรือบรรลุธรรมด้วยการได้ยินได้ฟังจากพระอาหลันตัสา ม, มาสามพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดสรู้ แล้วไม่ประกาศพระธรรมคำสอนนี้เราก็ไม่เรียกว่าเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะเรียกว่าปเจกขพุทธเจ้าคือเป็นผู้รู้จำเพาะตนไม่ได้นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นถ้าเป็นพระประเจกขพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระพุทธศาสนา เพราะไม่มีการประกาศพระธรรมคำสอนไม่มีพระอริยสงสาวกที่บรรลุได้จากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาจะเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพียงผู้เดียวไม่นำเอามาสั่งสอนผู้อื่น ทางตำลาก็ไม่ได้แจ้งว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงไม่สั่งไม่สอนอาจจะเป็นบ้ายหรือเปล่าพูดไม่ได้หรืออาจจะเสียชีวิตไปก่อนที่จะมีโอกาสได้สั่งได้สอนหรืออาจจะไม่อยากจะสอนอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ในตอนที่ตัดจรู้ใหม่ๆ มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะสั่งสอนใครเพราะทำที่ทรงได้รู้ได้เห็นนี้เป็นธรรมที่ปฏิบัติตามได้ยากมากและขัดต่อความรู้สึกของสัตว์โลกทั่วไปสัตว์โลกทั่วไปนี้จะใช้วิธีการดับความทุกข์ด้วยการแสวงหาความสุขต่างๆเช่นแสวงหาราบยศสรรเสริญ แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะสอนให้เขามาหาวิธีการดับทุกข์แบบใหม่คือแบบไม่ต้องใช้การหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเวลาที่ไม่ได้หา ลาบยศสรรเสริญไม่ได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาดับความทุกข์ใจนี้ใจจะรู้สึกทรมานมากคนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถที่จะมาทางของพระพุทธเจ้าได้มาทางของมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางได้ ตอเบื้องต้นพระองค์เลยมีความรู้สึกท้อแท้ไม่มีกำลังใจที่อยากจะสอนเพราะกลัวว่าสอนไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะผู้ฟังก็จะไม่สนใจที่จะน้อมนำเอาอไปปฏิบัติแต่หลังจากที่ได้ทรงมีเว ล, เวลา ค, ค่อยควรพิจารณาแยกแยะดู สัตว์โลกก็ทรงเห็นว่ามีอินทรีย์ต่างกันมีศรัทธาสติมีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาไม่เท่ากันบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยก็ทรงเห็นว่าพวกที่มีอินทรีย์มากนี้จะมีโอกาสที่จะสามารถปฏิบัติตามและหลุดพ้นได้ จึงมีความมีกำลังใจมีความพอใจมีความยินดีที่จะสั่งที่จะสอนเพราะทรงเห็นว่าสัตว์โลกนี้จะแบ่งไว้ก็เป็นสี่จำพวกด้วยกันที่ทรงเปรียวเหมือนกับบัวสี่เหล่าบัวเหล่าที่หนึ่งนี้เป็นบัวที่โผล่เหนือน้ำขึ้นมาแล้วรอให้ได้สัมผัสกับแสงอาทิตย์ ก็จะบานขึ้นมากลุ่มนี้ส่งเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้ามีศรัทธามีสติมีสมาธิมีปัญญามีวิริยะความอุชาความภาคเพียนที่แก่กล้ามากบุคคลเหล่านี้ก็คือพวกนักบวชที่ได้จระสมบัติออกบวช สละการแสวงหาราบยศจะรเสริญสุขสละการหารูปเสียงกลิ่นรสเพื่อมาหาความสงบที่จะเป็นเครื่องดับความทุกข์ทั้งหลายด้วยการบําเพ็ญศีลสมาธิแต่ขาด ท, ขขดทาํขั้นขั้นสุดท้ายคาขั้นสูงสุดก็คือขาดปัญญา ไม่มีใครรู้วิธีที่จะใช้ปัญญาดับความทุกข์ให้หมดไปอย่างถาวรรู้จักวิธีใช้สมาธิดับความทุกข์ชั่วคราวเวลานั่งสมาธิใจสงบใจเป็นฌานใจก็จะไม่มีความทุกข์เพราะเวลานั้นตันหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็หยุดทำงาน เมื่อตันหาหยุดทำงานความทุกข์ก็หายไปแต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเริ่มปรุงเริ่มเห็นเริ่มสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆตันหาก็จะโผล่ขึ้นมาความไม่สบายใจต่างๆก็จะโผล่ตามมายังไม่รู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์เหล่านี้ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิรู้แต่วิธี หยุดมันในขณะที่เข้าไปในสมาธิเท่านั้นเพราะไม่มีใครมีปัญญาที่จะรู้จักวิธีที่จะกําจัดความทุกข์เหล่านี้ต้องรอให้มีคนมีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าที่ส่งไปค้นพบว่าต้นเหตุของความทุกข์ไม่สบายใจที่ออกจากสมาธิมาแล้วนั้นก็เป็นเพราะตัณหาความอยากนี้เอง พอจากสมาธิมาพอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็จะมีความไม่สบายใจเพราะยังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่หรือเวลามานึกถึงคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามหล่อเหลาก็เกิดมีความกำนัดยินดีอยากที่จะร่วมหลับนอนกับเขาก็เพราะไม่รู้วิธีที่จะกาจัด ความอยากในรูปแบบนี้ว่าต้องใช้การทิจณาอสุภะนี่คือบุคคลที่เรียกว่าบัวกลุ่มแรกเป็นพวกนักบวชเป็นพวกที่มีศีลที่บริสุทธิ์เป็นพวกที่มีสมาธิอย่างแก่กล้าแต่ไม่มีปัญญาพอพระพุทธเจ้าทรงสอนพวกนี้ทรงสอนอริยสัจสี่ ทรงสอนว่าทุกเกิดจากตัณหาและการดับทุกนี้เกิดจากมาคือการเจริญสติปัญญาการเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกนี้เกิดจากความอยากและสิ่งที่อยากได้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราได้มาก็ต้องเสียไปเสียไปก็เสียใจ เวลาอยากได้ใจก็กระวลกรวายกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขนี่คือการสอนครั้งแรกของพระพุทธเจ้าทรงเลือกสอนพวกที่เป็นบัวเหนือน้ำพวกที่มีอินทรีย์แก่ก็คือพระปัญจวัคคีย์ทรงรู้พวกนี้ดีเพราะเคยได้ปฏิบัติร่รวมกันอยู่มาแยกทางกันในตอนตอน ตอนปลายของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่หลังจากได้ทรงอดพระกยอาหารถึง49วันเราทรงเห็นว่าก็ยังดับตันหาความอยากดับความทุกข์ภายในใจไม่ได้ก็เลยย้อนกลับมารับประทานอาหารพระปัญจวัคคีย์ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แพ้แล้วไม่สามารถอดต่อไปได้ไม่ยอมตาย คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แพ้แต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ฉลาดต่างหากเพรท่านรู้ว่าวิธีการอดอาหารนี้ไม่ได้ทําให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจึงทรงยุติวิธีการนั้นแล้วกลับมาค่ายควรใหม่ก็ทรงเห็นว่าต้องใช้วิธีบําเพ็ญจิตตภาวนาเท่านั้นคือ ทรงรู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้องใช้สมถะและวิปัสสนาภาวนามาหยุดความอยากให้ได้แล้วในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทรงเห็นอย่างนี้จึงได้หลุดพ้น เป็นได้ตัดจรู้เป็นพระอรหันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาวกคีพอเห็นว่าพุทธเจ้าทรงกลับมารับประทานอาหารตามปกติก็เสื่อมศรัท ธ, ธาก็เลยขอแยกตัวออกจากท่านไปไปบำเพ็ญของเขาตามความรู้สึกนึก ค, คิดของเขาพอหลังจากที่แยกทางกันแนละ้วพระพุทธเจ้าก็ทรงไปประทับอยู่ใต้โคนต้นโพ และตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาเพื่อดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจถ้าจับใดยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันข่ะจะยอมตายไปถ้าร่างกายเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ยอมลุกจะลุกก็ต่อเมื่อได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว แล้วในที่สุดพระ อ, องค์ก็ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์พระปัญจวัคคีย์ก็เลยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุแล้วพอพระพุทธเจ้าไปไปเยี่ยมเพื่อที่จะไปโปรดตอนแรกพอเห็นก็พยายามที่จะไม่สนใจไม่ต้อนรับขับไม่ต้อนรับแต่พอเข้าใกล้ทรงเห็นพระกิริยา อาการที่ส ง, งาา่าผ่าเผยมีรัศมีเปล่งออกมาทำให้เขายอมต้อนรับพรอองค์หลังจากนั้นพ่ะองค์ก็เลยทรงแสดงธรรมโปรดพระปัญจาวาัคคีย์จนได้ตัดสิได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเพราะพระปัญจวัคคีย์นี้มีอินทรีย์ที่แก่กล้าแล้วมีศรัทธา ต่อการปฏิบัติมีวิริยะความภาคเพียรสูงมีสติสมาธิและปัญญาและปัญญาแต่ไม่ได้ปัญญาขั้นตัดสารู้ปัญญาขั้นที่จะเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พอได้ยินได้ฟังก็นำเอาไปปฏิบัติด้วยศรัทธาด้วยวิริยะด้วยสติสมาธิและปัญญาก็ได้บรรลุธรรม ได้อย่างรวดเร็วนี่คือเป็นพวกที่หนึ่งตอนระยะแรกๆที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอนนี้ทรงมุ่งไปสอนให้กับพวกบัวเหล่าที่หนึ่งพวกที่มีอินทรีย์แก่กะ็พวกที่เป็นบัวที่อยู่เหนือน้ำแล้วรอแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนก็จะบานออกมา จิตผู้ที่มีศีลมีสมาธิแล้วแต่ขาดปัญญาพอได้รับปัญญาก็สามารถทำให้ใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ทันทีในระยะแรกๆจึงทรงมุ่งไปโปรดบรรดานักบวชทั้งหลายและเวลาแสดงธรรมในแต่ละครั้งนี้ก็มีผู้ฟังนิบารุธรรมกันพร้อมๆกันเป็นจานวนมาก เช่นเคยไปสํานักหนึ่งมีนักบวชอยู่ห้าร้อรูปพอทรงแสดงพระธรรมเสร็จนักบวชทั้งห้าร้อรูปก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนี่คือปัจจัยนี่คือบุคคลกลุ่มที่หนึ่งที่เรียกว่าบัวเหนือน้ําผู้ที่จะเป็นพวกบวเหนือน้ําผู้ที่ฟังธรรมปั๊บแล้วบรรลุได้นี้ต้องมีศีลมีสมาธิที่สมบูรณ์แล้วขาดเพียงแต่ปัญญาเท่านั้นเอง ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมของพระกุธาจาได้ยินได้ฟังเรื่องของอริยสัตสี่มรรคไตรลักษณสุภะแล้วรับรองได้ว่าจะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ส่งไปโปรดพวกที่เป็นบัวเหล่าที่สองคือบัวปลิ่มน้ำบัวที่จะใกล้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ ต้องรอเวลาอีกวันสองวันพวกนี้ก็เป็นเหมือนพวกที่มีศีลที่บริสุทธิ์แต่มีสมาธิที่ยังไม่เต็มร้อยยังเป็นสมาธิที่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ยังไม่ชำนาญยังไม่แก่กล้าพอฝึกสมาธิให้ชำนาญให้แก่กล้าได้แล้วพอเอาธรรมเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาพิ จ, จารณา เอาไตาลักษ์มาพิ จ, จารณาเอาอาริยสัจ ส, สีมาพิ จ, จารณาเอาอาสุภะมาพิ จ, จารณาก็จะสามารถหลุดพ้นได้ในระยะเวลาต่อมานี่ก็คือบัวเหล่าที่สองบัวปริ่มน้ำยังไม่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำต้องใช้เวลาอีกหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปปลดพวกบัวเหล่าที่สคือบัวที่อยู่กลางน้ำ ที่ต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าที่จะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาได้พวกนี้ก็เป็นพวกที่ยังรักษาศีลไม่ได้บริสุทธิ์ตลอดเวลารักษาศีลได้บางวันบางวันก็รักษาศีลไม่ได้ภาวานาก็ภาวานาแบบไม่ค่อยได้ผลจิตไม่เคยรวมนั่งได้พุทโธพุทโธไปพอให้หายความฟุ้งซ่านได้บ้าง แต่ไม่ถึงกับทาให้จิตรวมลงตรงนี้ก็ต้องใช้เวลารักษาศีลให้บ่อยสุดธิ์เกนศีล8ศีลห้านี้ไม่พอพวกพวกนี้พวกที่สานี้อาจจะเรียกว่าเป็นพวกนักบุญที่กำลังจะก้าวขึ้นไปสู่การเป็นนักบวชคือจะเปลี่ยนจากการรักษาศีลห้ามารักษาศีลแ น่าจะเปลี่ยนการทําบุญทําทานมาเป็นการภาวนาต้องแยกแยะให้ถูกต้องถ้าเป็นนักบุญก็จะรักษาศีลห้าแล้วทาบุญทําทานเช่นจะไปตามงานต่างๆเวลามีงานกระถินมีงานผ้าปา่ามีงานฉลองโบสถ์ฉลองเจดีย์ฉลองวันเกิดครูบาอาจารย์หรืองานอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นงานบุญ ผู้ที่ไปงานเหล่านี้รักษาศีลห้ากันเป็นหลักเรียกว่าเป็นพวกนักบุญพวกแสวงบุญส่วนพวกที่จะเป็นนักบวชนี้ก็ต้องปรับตัวเองจากศีลห้าก็มาเป็นศีลแปหรือถ้าบวชเป็นภิกษุก็เป็นศีลสองยบเจดแล้วก็เปลี่ยนจากการทําบุญมาเป็นการภาวนาแทนเลิกทําบุญไม่จําเป็นจะต้องทําบุญเพราะมันจะมา ขวางกันขัดกันการทำบุญนี้ต้องเอาใจออกข้างนอกการภาวนานี้ต้องการดึงใจเข้าข้างในจะเห็นทำได้จะบรรลุทำได้ใจต้องเข้าข้างในการจะเข้าข้างในก็ต้องทำจิตรวมให้เป็นสมาธิจิตจะรวมได้ก็ต้องไปปลีกวิเวกต้องอยู่ห่างกายจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระผู้ที่จะเข้าสู่การเป็นนักบวช ยังต้องเปลี่ยนการวิธีการปฏิบัติแทนที่จะไปทำบุญไปงานต่างๆงานผ้าป่า ง, งานกระถินงานฉ ล, ลองโบสถ์ฉลองเจดีหรืองานอะไรต่างๆนี้ก็ต้องหยุดหยุดไปไม่ไปเพราะไปแล้วมันก็จะสวนทางกับเป้าหมายที่ต้องการคือต้องการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ ต้องหยุดการทำบุญทาทานและเปลี่ยนจากการรักษาศีลห้ามาเป็นศีลแหรือศีลสองยเจแล้วก็ไปปรีกวิเวกอยู่ตามลำพังมันจเจริญสติอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มิให้ได้สมาธิแล้วพอได้สมาธิแล้วชำนาญในสมาธิแล้วก็ออกพิจารณาทางปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็น อันนี้จังทุกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามพิจารณาอาหารว่าเป็นสิ่งโสโครกเวลาเข้าไปในปากคายออกมาก็รับประทานไม่ลงลเวลาเข้าไปในท้องอาเจียนออกมาก็เอากลับเข้าไปในร่างกายไม่ได้เวลาขับถ่ายออกมาก็ไม่อยากที่จะเห็นไม่อยากที่จะดมเพราะมันไม่ได้เป็น อาหารที่น่ารับประทานเสียแล้วถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะทําลายตันหาความอยากในการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตได้ทําลายความอยากรับประทานอาหารถ้าจะรับประทานอาหารก็รับด้วยความจําเป็นเหมือนกับการรับประทานยาเท่านั้นกานนี้ก็จะทําลายตันหาความอยากเกี่ยวกับอาหาร พิจนาอสุภะก็จะทําลายความอยากเกี่ยวกับร่างกายของผู้อื่นอยากจะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเพราะคิดว่าเขาน่ารักน่าดูสวยงามรูปหล่อแต่พอพิจารณาเวลาร่างกายเขาเป็นซากศพไปหรือดอูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ใต้ผิวหนังเช่นโครงกระดูกหลับไตลำไส้หัวใจปอดพอเห็นอาการเหล่านี้ก็จะทําให้ หายจากความกำหนัดยินดีอยากจะร่วมเสพกามกับเขา mm. ก็จะตัดหตัดตันหาชนิดนี้ให้ออกไปจากใจได้แล้วก็พิจารณาอนิจจังทุกขังในสภาวะธรรมทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมารมณ์ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา mm. ก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ผู้ที่เป็นนักบุญถ้าต้องการจะก้าวเข้าสู่ขั้นเป็นนักบุญก็ต้องทำอย่างนี้ต้องเปลี่ยนแผนการปฏิบัติจากการรักษาศีลห้าไปทำบุญทำทานตามสถานที่ต่างๆก็เปลี่ยนมาเป็นการรักษาศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยิบเจ็ดเมื่อศีลสามร้อยกว่าศีลของภิกษุณีแล้วก็ไปปีกเว่เก็บตัวสำรวมอินรีตาหูจมูกลิ้นกายไม่คุกคลีกับใครไม่ ติดต่อกับใครต้องการที่จะดึงใจเข้าข้างในเพียงเดียวเพื่อที่จะได้เห็นธรรมที่มีอยู่ภายในใจเพราะอริยสัจสีนี้ไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกใจอยู่ข้างในใจทุกข์อยู่ในใจสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ก็อยู่ในใจการดับทุกข์ก็อยู่ในใจการดับของความทุกข์ก็อยู่ในใจคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็อยู่ในใจ เหตุที่จะทําให้บุตพ้นจากความทุกข์ก็คืออยู่ในใจก็คือก็คือสติสมาธิปัญญาศีลนี้เองสีสมาธิปัญญาต้องเข้าข้างในถึงจะถึงจะได้เห็นอริยสัจสี่แลจะได้สร้างมรรคขึ้นมาภายในใจเพื่อที่จะได้มาละตันหาคือกามตันหาภาวะตันหา และวิภาวตันหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนี่ก็คือบัวเหล่าที่สามพวกที่อยู่กลางนะบัวกลางน้ำมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ยังติดอยู่กับการทำบุญทาทานอยู่กับการรักษาศีลห้ายังไม่อยากจะขยับขึ้นสู่ศีล 8, ศีลสศีล2องยียังไม่อยากไปปีกวิเวก ไปบำเพ็ญจิตตะภาวนาอย่างเข้มข้นทำบ้านก็ทำอยู่ที่บ้านเช้าเย็นอะไรอย่างนี้ทำพอหอมปากหอมคอชอบไปทำบุญมากกว่ามีงานบุญที่ไหนนี่ชอบไปงานกระถิญญาณผ้า ป, ป่าชอบไปเปิดโรงทานอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นพวกบัวเหล่าที่สามถ้าต้องการจะขยับขึ้นเป็นบัวเหล่าที่สองก็ต้องเปลี่ยน จากการถือศีลห้าไปถือศีลแปดแล้วก็ไปปีกวิเวกแล้วก็จะก้าวขึ้นสู่เป็นบัวเหล่าที่สองได้คือจะเป็นผู้ที่มีศีลที่บริสุทธิ์คือศีลแปดศีล2องแล้วก็บําเพ็ญสมาธิให้เจริญก้าวหน้าจนกลายเป็นผู้ชํานาญในสมาธิก็จะกลายเป็นบัวเหนือน้ําขึ้นมาแล้วพอเอาทำ ของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติมาพิจารณาคือปัญญาก็จะสามารถเอาปัญญานี้มาทําลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ก็คือเส้นทางของผู้ที่เป็นบัวเหล่าที่สามต้องเปลี่ยนจากการเป็นนักบุญมาเป็นนักปวดส่วน บัวเหล่าที่สี่นี้เป็นพวกที่ไม่เชื่อบุญเชื่อไม่เชื่อคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าบุญนี้มีจริงทำแล้วจะได้ไปสวรรค์ไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อว่าเกิดมาแล้วตายแล้วก็ศูนย์ดังนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบุญไม่มีความจำเป็นที่จะไปนั่งสมาธิให้เสียเวลาไม่จำเป็นต้องไปฟังเทศฟังธรรมไปปีกวิเวกไปปฏิบัติไปบวช ตรงนี้จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจะหาความสุขจากรูปเสียงกินลดปุถัพระเพียงอย่างเดียวจะไม่สนใจต่อการศึกษาฟังเทศฟังธรรมต่อการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเลยตรงนี้พระพุทธเจ้าก็จะไม่สั่งสอนก็ ร, รู้ว่าสั่งสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับสตานส์น้ําใสเทน้ําใส่หลังสุนัขสุนัขมันไม่ชอบน้ํา พอเทน้ำใส่เข้าไปนี่มันจะสะบัดทิ้งหมดเลยพวกนี้เราก็เรียกว่าบัวที่อยู่ติดกับโคนต่อมอยู่สุดอยู่ในอยู่ใต้น้ำจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปจะไม่มีวันที่จะเจริญงอกงามโผล่ก็มาเป็นบัวเหนือน้ำได้เลยนี่คือบุคคลสี่ประเภทที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพิ จ, จนา หลังจากที่เกิดความท้อแท้ในการที่จะนำทำอันประเสริฐมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกตอนต้นก็คิดว่าจะหุบปากอยู่เฉยๆสบายกว่าไม่ต้องมาเดน็ดมาเหนื่อยสอนแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรพ่อไปคิดว่าทุกคนเป็นเป็นบัวใต้น้ำไปหมดเป็นบัวที่อยู่กับโคลนตมที่จะต้องกลายเป็นอาหารของปูของปลาไป แต่ลองจากได้ทรงพิจารณาแยกแยะดูก็ทรงเห็นว่ามีบุคคลสี่ประเภทด้วยกันก็เลยทรงมีพระไทยที่จะยินดีสั่งสอนก็เลยได้ประกาศสั่งสอนพระธรรมเป็นครั้งแรกในวันอาสาฬบูชาคือวันเพ็ญเดือนแปที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์พระพุทธเจ้า ได้ตัดสรูแล้วเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกแต่ยังไม่มีพระธรรมคําสอนต่อต่อสายตาของโลกยังไม่มีพระอาหารหันตส า, สาวกยังสาวกยังไม่มีพระอริยสงสาวกพอทรงแสดงพระธรรมให้แก่โลกคือพระปัญจ ว, วัคคีย์ทั้งห้าหนึ่งในพระปัญจ ว, วัคคีย์ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งจึงทําให้ปรากฏมี พระสงฆ์มีพระรัตนัยพระรัตนะไตรคบองค์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาตามใดถ้ายังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตามนั้นก็ยังจะมีพระศาสนาอยู่ต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งเป็นองค์แทนกันตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแต่เรายังมีพระธรรมคําสอนเรายังมีพระ อาลัยสงสารบที่คอยจะเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแต่มาสั่งสอนพวกเราเพวกเราจึงยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ถ้าไม่มีพระธรรมคําสอนไม่มีการสั่งสอนไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีอาลัยสง์มาสั่งมาสอนศาสนาก็จะเป็นศาสนาแต่ชื่ออาจจะมีวัดวาอารามแต่จะไม่มีใครหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ เพราะจะไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติจะมีอย่างมากก็มีการทำบุญทำทานไปนี่คือการเสื่อมของพระาศาสนาต่อไปการภาวนาก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆการฟังเทศฟังธรรมก็จะน้อยลงไปการรักษาศีลก็จะน้อยลงไปแล้วก็เหลือแต่การทำทานแล้วต่อไปการทำทานก็ไม่มี ศาสนาก็จะสิ้นซากไปในที่สุดนี่คือเรื่องของวันเข้าพรรษาและวันอาสาะบูชาที่ผ่านมาก็เอามาพูดเอามาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้เห็นภาพของพระศาสนาได้เห็นการเป็นมาของพระศาสนาว่าเป็นมาได้อย่างไรและมีประโยชนมม์มีความสำคัญกับเราตรงไหน ก็มีประโยชน์ตรงที่จะเป็นผู้สอนผู้นำทางให้พวกเราที่ยังติดอยู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์ต่างๆให้ได้หลุดพ้นได้สิ้นสุดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าพวกเราอยากจะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้รับผลเราก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวก ได้ปฏิบัติได้ได้สั่งสอนถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนแล้วปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตาสาวกพวกเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะได้รับประโยชน์จากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสพีติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสษนิจังุทธาปจายโน จัตารธรรมะวะัทานติอายุวนโนสุขังภาลาัง ล, ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะรู้เรื่องธรรมะก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ไม่ถามตอปัญหาเพราะไม่งั้นมันจะยืดเยื้อเวลาถามให้ถามไม่ถามเวลาไม่ให้ถามแล้วก็จะมาถามนั้นป ร, รุณาถามตอนนี้เลยไม่เป็นไรหระคนที่ถามเนี่ยแสดงว่าคนฉลาดคนอยากรู้ถึงถามคนที่ไม่ถามเนี่ยก็อาจจะเป็นฉลาดเพราะรู้แล้วหรือ อายไม่อยากจะถามอายเท่าอย่างเงี้ยพวกนี้พวกงโง่เงีไม่มีวันฉลาดได้ถ้าไม่รู้ก็ถามจะได้ฉลาดคำถามจาก Facebook คำถามแรกค่ะคำถามจากคุณไพโรธเหตุอันใดที่ทำให้ใจหลุดพ้นจากการเข้าใจผิดว่าธาตุขันเป็นของเราแล้วเหตุอันใดที่ทำให้ใจเป็นศีลงดเว้นจากการทำบาป เพตอันใดที่ทำให้ใจหายสงสัยหมดสิ้นในพระพุทธศาสนาครับก็ศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะทำให้สิ่งต่างๆที่ถามมานี้หายไปงนั้นพยายามศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากๆแล้วก็จะสามารถเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้คำถามจากคุณทำตามการ ข้อแรกเวลาจิตจะรวมเป็นสมาธิอาการของจิตเป็นอย่างไรคะเราจะทราบอย่างไรว่านี่คือจิตรวมคือต้องมีสติตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ให้หยุดความคิดทั้งหลายให้หมดพอความคิดหยุดเมื่อไหร่อย่างต่อเ น, นื่องได้ระยะหนึ่งจิตก็จะวุบลงไปทันทีเวลาลงนี่จะไม่บอก กลวงหน้าไว้ก่อนเหมือนฟ้าผ่าฟ้าร้องจะไม่บอกว่าฉันจะร้องฉันจะผ่าแล้วจิตเวลารวมมันก็จะไม่บอกว่าฉันจะรวมพอมันจะรวมมันก็วุบลงไปเลยขอให้มีสติประครับประคองใจไม่ให้คิดปรุงแต่งเท่านั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมลงไปเองข้อสองค่ะจิตรวมของการภาวนากับจิตที่เลื่อนระดับเป็นอริยบุคคลอาการจิตรวม แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะเกิจิตรวมนีรวมด้วยสติจิตขึ้นชั้นนี่ขึ้นด้วยปัญญาคำถามฝากถามค่ะการละสรรเสริญที่ต้องทำในขั้นพระโสดาบันต่างกับการละอัตตาในขั้นพระอรหันต์อย่างไรค ะ, ส, ะสรรเสริญกับอัตตามันก็คนละตัวกันแล้วมันก็ต่างกันแล้ว ส, ลสรรเสริญก็คือชอบให้คนเขายกย่อง สรรเสริญเยนยอไม่ชอบให้เขาตำหนิตีเตียนพอถูกเขาตำหนิตีเตียนก็ทุกพอเขาสรรเสริญก็ใจฟูใจลอยส่วนอัตตาก็คือการถือตัวถือตนการถือตัวถือ ต, ถอตนถือว่าตนเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สูงกว่าต่ำกว่าเท่ากว่าคนนั้นคนนี้พอถือแล้วก็ต้องการให้คนเขาปฏิบัติตามที่ตนเองถือ เป็นตนเองถือว่าสูงกว่าพอใครมาไม่ปฏิบัติให้เขารบให้ความเขารบก็จะเกิดความทุกข์ความเสียใจเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าการถือตัวคำถามจากคุณแบงค์ค่ะข้อแรกขณะปฏิบัติมีความสงสัยว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงผ่อนคลายไปจากเดิมเช่นจากปากที่เคยปิดอยู่ เริ่ผ่อนคลายจากหลังตรงเริ่มงอและนิ่งเสมือนทุกอย่างนิ่งให้เราพิจารณารู้ตามนั้นถูกแล้วใช่ไหมครับ เ, ออเวลานั่งสมาธิไม่ให้ไปพิจารณาร่างกายให้มีสติอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กํากับใจให้อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจอย่าไปดูว่าร่างกายงอหรือไม่งอ อันนี้ไม่ได้เป็นวิธีภาวนาวิธีภาวนานี่ต้องอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กํากับใจถ้าใช้พุโทโธก็ให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวถ้าใช้ลมหายใจเข้าออกก็ให้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวจิตถึงจะสงบได้ต้องขยับเปลี่ยนกลับไปให้เป็นเช่นดังเดิมเช่นก่อนนั่งหรือเปล่าครับ ก็บออยไป<ะ>ไ ป, ปรับเปลี่ยน อ, อ, อย่าไปสนปจใจร่างกายไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปมันจะงอจะไม่งอไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าไม่ปรับเปลี่ยนจะส่งผลให้ประคองตัวในท่านั่งปฏิบัติไม่ได้ควรทําอย่างไรครับก็ให้มันไม่ได้ก่อนให้มันล้มลงไปก่อนแล้วค่อยปรับข้อสองค่ะบางครั้งเวทนาเกิดขึ้นพร้อมๆกันรุมกันเกิดพิจารณาไม่ทัน แต่เรารู้ว่ามันเกิดเท่ากับเรารู้ทันใช่ไหมครับจะว่ารู้ทันก็ได้แต่รู้ทันแล้วปล่อยได้หรือเปล่าถ้ารู้ทันแล้วปล่อยไม่ได้ยังทุกข์กับมันอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ารู้ทันแล้วต้องปล่อยได้ถ้าปล่อยได้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับมันมันจะมีมันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปใจก็ไม่วุ่นวายไปกับมันถึงจะเรียกว่ารู้ทัน ข้อสค่ะเคยปฏิบัติจากความรู้สึกที่พิจารณาว่าปวดตรงนั้นตรงนี้ตามร่างกายขณะนั่งปฏิบัติจนหายปวดและเสมือนร่างกายหายไปวูบหนึ่งเสมือนไม่มีร่างกายและรู้สึกขณะนั้นเหมือนโลง่งสภาวะขณะนั้นคืออะไรครับสภาวะที่จิตปล่อยร่างกายแล้วเข้าสู่ความสงบปล่อยความเจ็บไม่สนใจไม่ไปอยากให้มันไม่เจ็บ ให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วร่างกายก็จะหายไปจากข้อ3เมื่อกี้ค่ะอยากจะปฏิบัติให้เกิดสภาวะข้างต้นอีกจนบางครั้งตั้งใจเกินไปจนไม่เกิดซ้ำควรทําอย่างไรและหากอยากให้เกิดสภาวะเช่นนั้นนานขึ้นควรปฏิบัติอย่างไรเพิ่มเติมครับเวลานั่งเวลาปฏิบัติอย่าไปอยาก ให้อยู่กับพุโทโธไปให้มีสติประครับประคองใจไปไม่ให้คิดปรุงแต่งแล้วจิตมันก็จะสงบเองถ้าไปนั่งอยากโดยที่ไม่มีสติประครับประคองใจปล่อยให้ความอยากเป็นตัวผลักดันมันก็จะไม่มีวันเข้าสู่ความสงบได้ข้อ5ค่ะตามคำพระที่ว่าเรายังอยู่ทางโลกต้องเหยียบเรือสองแคมไปก่อนทางโลกก็ต้องไม่ให้ช้า ทางธรรมก็ต้องไม่ให้เสียอยากให้พระอาจารย์แนะนําว่าเราควรต้องปฏิบัติอย่างไรสิ่งที่ดีที่สุดควรทําคืออะไรเพื่อให้เกิดประสิท ธ, ธิผลทางธรรมมากที่สุดหาพบนี้ยังคงต้องคลองเพศคารวาสควบคู่กันไปกับการปฏิบัติในการดํารงชีวิตครับก็ต้องแบ่งเวลาให้มันเหมาะสมบางเวลาก็ทําให้กับทางโลกบางเวลาก็ทําให้กับทางธรรม เช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เอาวันพระนี้เป็นวันที่เรามาปฏิบัติทางธรรมกันวันพระเราก็ไม่ไปทำมาหากินหาเงินหาทองหาความสุขทางร่างกายเราก็ไปอยู่วัดไปปลีกวิเวกไปรักษาศีลแปดไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมวันนั้นก็เป็นวันของธรรมส่วนวันอื่นก็ไปเป็นทางของโลกสลับกันไปแบ่งกันไป คำถามจากคุณโจค่ะการก้าวหน้าในการภาวนาจะรู้ได้อย่างไรครับจิตมีความสุขความสงบมากขึ้นกิเลสตัณหาความโลภโมโทสันต่างๆเบาบางลงไปน้อยลงไปคำถามหมดแล้วทางที่บ้านตอนนี้ก็เอาถามสดจากเฟซบุ๊กไลฟ์ตอนนี้ใครกำลังดูก็พิมพ์ก็ามาได้เลย มีเวลาพอสมควรวันนี้วั น, นี้สัญญาณดีไหมพระอาจารย์ครับอาจารย์ครับชาตสุดท้ายของพระพุทธเจ้ากิเลสอ่าหรือที่เรียกว่ามารตัวไหนที่ดักนาที่สุดสําหรับพระพุทธเจ้าครับโอ้ยมันตามเรามีเรื่องด้วยยังต <laughs> <laughs> ามพุทธเจ้าเนี่ย <laughs> คำถามจากเฟซบุ๊กไลฟ์คำถามจากคุณพัชรีบางครั้งจิตก็คิดปล่อยวางแต่ปล่อยไม่หมดควรทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ใช้ปัญญาให้มากขึ้นพิจารณาใจรักให้มากขึ้นพิจารณาทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วต้องมีการพัดภาคจากกันถ้าไม่ปล่อยก็จะทุกข์ถ้าปล่อยก็จะไม่ทุกข์คถามจากคุณตีหน้า การอยู่กับความว่างนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็คือไม่ดูหนังฟังเพลงไม่กินไม่ดื่มตามความอยากจะกินก็กินแค่ห้อนเดียวมือเดียวเอดื่มหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำเปล่าอแล้วก็ไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่ลายไม่เฟซไม่ยูทูบกับใครอยู่คนเดียววิเวกตามลําพังนี้เรีก็อยู่กับความว่าง <laughs> คำถามจากคุณจิกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเราไปแข่งกับอนิจจังได้หรือครับเราไม่ได้แจงเราให้รู้จักอนิจจังว่าเป็นอย่างไรอนิจจังเขาก็เป็นของเขาเขาไม่ได้แข่งกับเราเราแข่งกับเขาไม่ได้เขาเป็นสิ่งที่เขาแสดงของเขาไปตามธรรมชาติของเขาเราไปโง่ไปอยากให้เขาเป็นนิจจังเองก็เลยเสียใจเพราะไม่ได้ตังใจอะ่ะ มือนอยากจะให้โกรธให้ส้มกลายเป็นกล้วยอย่างเงี้ยอยากไปจนวันตายมันก็ไม่เป็นกล้วยมันก็ต้องเป็นส้มอยู่ดีสิ่งที่เป็นอนิจจังไปอยากให้มันเป็นนิจจังมันก็ไม่เป็นนิจจังเช่นร่างกายของเรานี่มันเป็นอนิจจังแต่เราก็อยากให้มันเป็นนิจจังเห็นไหมไปดึงไปดึงหนังกันไปทําผมกันไปย้อมผมกันอันนี้ก็เรื่องของความอยากให้มันเป็นนิจจังซึ่งเป็นความความโง่หรือความมืดบอด คนตาบอดที่ไม่เห็นความจริงก็ทําไปก็เหนื่อยไปบ่ป่าเพราะก็จะไม่สามารถทําได้ตามที่ต้องการใ น, นที่สุดก็ยอมแพ้ไปเองคําำถามจากคุณสภาพหนูเคยได้เรียนทมคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วงหนึ่งหนูมีความศรัทธาเชื่อในกฎแห่งกรรมสวรรค์นรกมีจริงเชื่อในคำสอนของพระพุท ธ, ธองค์ หนูเอาทำมาใช้ทั้งโลกมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทุกวันโลกเราขาดคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นทุกคนมุ่งเห็นแก่ตัวมีกิเลสตัวหลงกันมากสังเกตดูพิจารณาเพียรภาวนาทุกวันใช้ชีวิตไม่ประมาทมีสติเป็นตัวกำหนดหนูมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วขอให้ปฏิบัติมากๆขึ้นไปขอให้บุตรได้ภายในชาตินี้เลย คำถามจากคุณเอหนูมีปัญหาในการปฏิบัติขณะนั่งสมาธิคือโดยปกติจะดูลมหายใจเข้าออกโดยการกำหนดคำบริกรรมพุทธโทควบคู่ไปด้วยค่ะแต่พอนั่งไปได้ระยะหนึ่งคำบริกรรมพร้อมกับลมหายพร้อมกับลมหายใจมันหายไปแต่มีความรู้สึกรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในเช่นรู้ถึงการเคลื่อนไหวของกระบังลมบริเวณท้องพอ ง, พองยุบ การเต้นของหัวใจหนูควรดึงสติกับมาบริกรรมพุทธโธพร้อมกับลมหายใจเหมือนเดิมไหมคะควรจะอยู่กับลมหายใจเรือบริกรรมพุทธโธไปอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้มันอยู่กับเรื่องเดียวคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่เราถือศีลแปดแต่ไม่ได้เน้นการภาวนาจะมีอ น, นิสงส์ไหมคะเพราะสมัยก่อนเข้าใจว่าการถือศีลแปด และการภาวนาไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกันค่ะถือศินแปดไม่ภาวนาก็ได้แค่อนิสงของสินแปดแต่ไม่ได้อนิสงของการภาวนาคือได้ได้ได้อดข้าวเย็นไม่ได้ดูหนังไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวมันก็เป็นอนิสงของการถือศินแปดมันก็ทำให้สบายใจขึ้นไม่ต้องมาวุ่นวายกับการทำเเผ้าทำผมทำหน้าทำตา ก็ตงเว้นวายกับไปหาชุดนั้นชุดนี้มาใส่ให้มันยุ่งยากไปเปล่ า, ลานี่ก็คืออนิสงส์ที่จะได้จากการรักษาศีลแปดแต่จะไม่ได้ความสงบเหมือนกับการภาวนาถ้าอยากจะได้อานิสงส์ของการภาวนาก็ต้องเจริญสตินั่งสมาธิคำถามจากคุณสุ ป, ปัญญามีหลายครั้งที่เวลานั่งสมาธินั่งฟังธรรม แล้วทําเหมือนนั่งสมาธิพยายามสมาธิในการฟังเนื้อหาของธรรมแต่ทําไมจูจ่ๆเสียงก็หายไปเฉยแล้วเหลือแต่ความว่างก็เลยกระตุกกระติกตัวเพื่อให้รู้สึกตัวและได้ยินเสียงอีกแต่สักพักก็เกิดขึ้นอีกบ่อยมากจนรู้สึกลำคาญก็เลยปล่อยได้ยินก็ได้ยินไม่ได้ยินก็แล้วไปการฟังก็สลับได้ยินและไม่ได้ยินแต่ก็รู้สึกตัวตลอดไม่ทราบปฏิบัติถูกไหม คือการฟังธรรมมันก็ได้ประโยชน์สองทางถ้าจิตสงบไม่ได้ยินเสียงธรรมก็ได้ความสงบได้สมาธิถ้าฟังธรรมแล้วพิจารณาตามได้เข้าใจความหมายของธรรมที่แสดงก็จะได้ปัญญาเพรนั้นถ้าจิตเราไม่มีความสามารถในการพิจารณาตามธรรมที่แสดงไว้จิตมันก็จะไม่มันก็จะไม่พิจารณาตามมันก็จะเข้าสู่ความสงบแทน งั้นก็ได้ทั้งสองอย่างได้อย่างนานก็เอาอย่างนั้นถ้าจิตสงบก็ดีก็ได้สมาธิไปแต่ถ้าจิตพิจารณาทำได้ก็ยิ่งดีใหญ่เพราะจะได้มีปัญญาเพราะปัญญานี้มีประโยชน์ในการที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างถาวรสมาธินี้มีประโยชน์ดับความทุกข์ได้ชั่วคราว อย่างที่พระสาวกของพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมตอนฟังธรรมนี่เป็นอย่างไรคะก็ลองเป็นสาวกของท่านดูสิคำถามจากคุณแม่มดการถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาจะต้องถวายในวันเข้าพรรษาใช่ไหมคะคือถวายได้ทุกวันวันไหนก็ได้แต่ตามธรรมเนียมก็ประเพณีก็เป็นวันหยุดว่างก็เลยเอาวันที่หยุดวันว่างคือวันเข้าพรรษา มาถวายเทียนถวายภาพน้ำฝนกัน่ความจริงแล้วเทียนนี่ถวายได้ทั้งปีภาพถวายได้ทั้งปีคำถามจากคุณธนคอนปฏิบัติแล้วเกิดปวดขามากจะทำให้ขาพิการหรือไมค่ครับไม่หรอกคนที่เขาปฏิบัติกันมาไม่มีใครพิการจากการปฏิบัตินะคำถามจากคุณกันปภา เรื่องสินแปดข้อที่แปดคือเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่หากมีอาการปวดหลังเจ็บสะโพกสามารถนอนบนที่นอนปิกนิกทำจากยางพาราหนาประมาณสามนิ้วถือว่าเหมาะสมไหมคะก็ถ้าเป็นเรื่องของอาภาษก็พอที่จะอนุโลมกันได้ถ้าหลังเป็นปกติก็นอนบนพื้นแข็งๆก็ดีกว่าจะได้มันอนไม่นานแต่ถ้าเป็นเพื่อสุขภาพร่างกายหลังเจ็บ แล้วทำให้ปวดมากขึ้นถ้านอนบนพื้นแข็งก็จะมีอะไรรองบ้างก็ได้แต่อย่าให้มันสุขสบายจนอยากจะนอนนานๆก็แล้วกันคำถามจากคุณแนนเวลานั่งภาวนาแล้วจิตชอบเผลอคิดจะทำอย่างไรให้จิตตั้งมั่นเจ้าคะก็ต้องหมั่นจเจริญสติก่อนที่จะมานั่งสติเรามีกำลังน้อยพอเรานั่งปับ๊บก็มันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อ แลง้นเราต้องพยายามเจริญสติก่อนที่เรามานั่งต้องคอยควบคุมอย่าให้จิตไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราทําได้เวลามานั่งมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กํากับใจแล้วมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้คําถามจากคุณพิพัฒผมปฏิบัติและฟังทำแล้วเห็นการเกิดดับของกายเวทนาทำ บ, าบ่อยๆแล้วจิตเบาสบายใจถูกหรือเปล่าครับ ถ้าจิตเบาสบายใจก็ทําถูกแล้วคําถามจากคุณยินดีหลังจากผมนั่งสมาธิพอธาพอจิตมันจะฟุ้งซ่านพอนึกพุโทโธพอนั่งไป็นนานๆมันปวดผมเลยออกจากสมาธิแล้วนอนปรากฏว่าไม่ยอมนอนไม่ง่วงครับเหมือนยังอยากนั่งอีกไม่ทราบว่าถ้าผมนั่งอีกรอบจะได้ไหมครับได้นั่งกี่รอบก็ได้นั่งทั้งคืนได้ยิ่งดี คำถามจากคุณรั ด, ดาเวลานั่งเวลานั่งนานๆแล้วเวทนามาเจ็บปวดวางไม่ได้แต่อดทนเอาให้ได้ตามเวลาที่ตั้งไว้ถูกไหมคะก็ถูกแต่ไม่ดีเท่ากับนั่งแล้วไม่ใบมีไม่ต้องใช้ความอดทนคือนั่งแล้วถ้าเราปล่อยมันหรือถ้าเราไม่ไปสนใจมันมันก็จะไม่ทรมานเราก็ไม่ต้องอดทน วิธีนั่งให้ถูกก็คือเวลาปวดก็ใช้คำบริกรรมพุโทโธให้ที่เข้าอย่าไปส่งใจให้ไปคิดถึงความปวดของร่างกายถ้าอยู่กับพุโทโธนี่ความทรมานใจมันจะไม่มีก็ไม่ต้องใช้ขันติมันก็จะใช้พุโทโธแทนแล้วใจก็จะเบาสบายไม่ทุกไปกับความเจ็บของทางร่างกายหรือถ้าจะใช้ปัญญาก็พิจารณาว่าความปวดนี้เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจ ใจเป็นผู้รู้ให้รู้เฉยๆอยากไปอยากให้มันหายปวดถ้าหายถ้าอยากแล้วมันจะทรมานใจถ้ารู้เฉยๆปล่อยให้มันปวดไปมันก็จะไม่ทรมานแล้วมันก็จะอยู่กับความปวดได้อย่างสบายคําถามจากคุณยายาเวลานอนพิจารณาเหมือนจิตตื่นนอนไม่หลับเพราะอะไรทั้งเพราะอะไรทั้งที่เหนื่อยมากหลังนอนพิจารณาจิตกลับตื่น ทำให้นอนไม่หลับต้องเลิกพิจารณาหลังหลับค่ะก็พิจารณาการพิจารณาก็ใช้ความคิดเมื่อใช้ความคิดจิตมันก็ไม่หลับอย่างบางทีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็นอนไม่หลับดังนั้นการคิดนี้จะทําให้จิตไม่หลั บ, ลบเวลาจิตหยุดคิดแล้วก็ไม่มีสติมันก็หลับไปคาถามจากคุณอารีเล่นเกมกดผิดไหมคะ มันผิดอะไรล่ะผิดกฎหมายหรือว่าผิดศีลธรรมหรือผิดอะไรอันนี้แล้วแต่ว่าถ้าพ่อแม่ห้ามให้ห้ามเล่นไปเล่นก็ผิดคำสั่งของพ่อของแม่ถ้าไปเล่นในห้องเรียนก็ผิดคำสั่งของครูของอาจารย์ก็แล้วแต่ว่ามันเขามีคาสั่งห้ามหรือเปล่าถ้ามีคำสั่งห้ามแล้วเราไปทำมันก็ผิดคำสั่งนั้น ทางศาสนานี้ไม่มีสิไม่มีสิลข้อใดที่ห้ามให้เล่นเกมกดแต่ว่าไม่ไม่ส่งเสริมเพราะเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เอาเวลามาทำสิ่งที่มีคุณประโยชน์เช่นมาณ์มานั่งพุโทโธพุโทโธจะดีกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าคำถามจากคุณปอเทียนพันสายังมีความจาเป็น ยังมีความจำเป็นสำหรับวัดบ้านหรือเปล่าคะเพราะมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วก็แล้วแต่วัดเขาต้องการจะใช้มันหรือไม่ก็ยังต้องมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอยู่เวลาไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเชา้าวัดเย็นเวลาทำพิธีกรรมก็ยังมีการจุดเทียนกันอยู่แต่ถ้าจะเอาเทียนมาใช้เป็นเพื่อแสงสว่างที่ไหนที่มีไฟฟ้าแล้วก็ไม่จาเป็น ที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเทียนก็ยังมีความจําเป็นต่อการให้แสงสว่างอยู่เช่นตามวัดป่าที่ไม่มีไฟฟ้าคําถามจากคุณปิติพัฒน์เวลานั่งสมาธิแล้วฟังธรรมไปด้วยถือว่าได้ฝึกสมาธิใหม่ครับเวลาฟังธรรมควรจะฟังธรรมอย่างเดียวอย่าไปพุโทโธอย่าไปดูลมหายใจเอาเสียงธรรมมาเป็นอารมณ์กํากับใจถ้าพิจารณาตามก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ ถ้าใช้เสียงกำกับใจแทนพุทโธแทนลมหายใจก็ใจก็จะสงบเป็นสมาธิอย่าไปใช้พุทโธหรืออย่าไปดูลมแล้วมันจะชนกันเอาอย่างเดียวเอาการฟังธรรมเป็นหลักเอาเสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนพุทโธแทนนมหายใจเข้าออกคำถามจากคุณมดงานลูกปฏิบัติจริงจังมาสามเดือนเต็มเคยภาวนาผ่านเวทนามาครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นไม่ได้อีกเลยขอคําแนะนําพระอาจารย์ค่ะก็พยายามทําใหม่อย่าไปอยากเวลาเกิดเวทนาก็ใช้สติหรือใช้ปัญญาแล้วมันก็จะผ่านไปได้หรือนึกไปถึงคราวที่แล้วว่าที่เราผ่านนี่เราผ่านได้อย่างไรก็เอาวิธีนั้นมาใช้ใหม่ก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านคําถามจากคุณอรวัน ถ้านั่งภาวนาไปจนเสียงภายนอกดับไปรู้สึกว่าอยู่อยู่คนเดียวแต่เรายังมีสติอยู่กับพุทธโธจนวูบไปตอนไหนไม่ทราบแล้วก็มองเห็นภาพพระพุทธรูปที่อยู่ตรงหน้าชัดขึ้นเรื่อยๆเห็นเฉพาะภาพตรงหน้าค่ะโดยยังไม่ลืมตาตอนนี้สติรู้ถึงพุทธโธแล้วตอนนั้นยังไม่รู้จะทํายังไงเพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยอยู่กับพุทธโธไปเฉยๆ ไม่มีความคิดอื่นลืมร่างกายไปเลยหนึ่งนี่คือจิตรวมใช่ไหมคะก็จะว่ารวมก็ได้ถ้าไม่มีร่างกายถ้าเกิดแบบนี้อีกควรทำอย่างไรต่อไปคะก็ปล่อยให้มันรวมไปนานๆานให้มันนิ่งไปนานๆถ้ายังไม่นิ่งยังไม่ยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่ยังมีภาพเพิ่บอะไรให้เห็นอยู่ก็ให้พุโทโธต่อไป เกินกว่ามันจะว่างเหลือแต่ความว่างเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบคำถามจากคุณโทมิถ้าไม่ได้สมาทานสิ่งแปดแต่งดเว้นอาหารเย็นถือพรมมาจันงดดูทีวีบันเทิงดูเฉพาะช่องหลวงตาและรักษาใจไม่ให้จิตกระเพื่อมตามสัผัผัดสะทภาวนาทุกวัน จเจริญสติระหว่างทํางานถือได้ว่าถือศิลแปดหรือเป็นศิลอุโบสถหรือยังคะถ้าเราถือข้อต่างๆได้ก็ถือว่าเรามีศิลแล้วการสมาทานหรือไม่สมาทานนี้ไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่การรักษาว่าเรารักษาข้อไหนได้ถ้าเราไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วเราก็รักษาข้อ6ได้ถ้าเราไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไม่แต่งเนื้อแต่งตัว อย่างนี้ก็เรียกว่าเราถือศีลข้อเจ็ดได้ถ้าเราไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆเรานอนบนพื้นแข็งๆ แ, แล้วก็เรียกว่าเราได้ศีลข้อแปดแล้วคำถามจากคุณลูมินั่งสมาธิแล้วเห็นเป็นแสงของผลึกเพชรที่กลางหน้าผากเป็นบ่อยมากจะทำอย่างไรดีต่อครับออไม่ต้องสนใจให้กลับมาที่อารมณ์ที่เราใช้กำกับใจ ใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธใช้ลมก็ให้อยู่กับลมอย่าไปสนใจกับภาพหรือสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้รับรูเพราะนี่ยังไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือจิตนิ่งสงบสบายมีความสุขมีอุเบกขาไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนาบาศการพระอาจารย์ค่ะ เมื่อสักครู่มีคําถามเกี่ยวกับศีล8ปกติแล้วจะรักษาศีลห้าบริสุทธิ์ไม่ทราบว่าการรักษาศีล8มีอ น, นิสงส์งมากน้อยแค่ไหนคะขอบคุณค่ะก็จะมีความสงบความสบายใจเพิ่มมากขึ้นความทุกข์เกี่ยวกับการหาคู่นอนก็หมดไปถ้าเราถือศีลบรมจันได้ถ้าเราถือศีลห้าเร า, 5, เราก็ยังอยากจะมีคู่นอนอยู่ ถ้าวัไหนคู่นอนไม่อยู่เราก็จะรู้สึกหงุดหงิดนำคาญใจแต่ถ้าเราถือศีลพรมาจารย์ได้คู่คอรองของเราคู่นอนของเราเขาไม่อยู่เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรคืออันนี้สงการกินข้าวก็จะสบายขึ้นไม่ต้องกินข้าวเย็นก็สบายไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการกินอาหารเย็นเดี๋ยวไปกินอาหารไม่ถูกปากก็ไม่อร่อยก็ไม่สุขอีก ถ้าไม่กินเส้อมันก็ตัดปัญหาอย่างนั้นไปได้การไปเที่ยวก็เหมือนกันก็ถ้าถือว่าไม่ไปเที่ยวก็สบายไม่ต้องมากังลวลว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะไปชวนเพื่อนคนไหนดีไปเที่ยวด้วยมันก็ทำให้ตัดปัญหาต่างๆให้มันน้อยลงไปทำให้ใจเราสงบมากขึ้นเย็นมากขึ้นเท่านั้นเองมีอีกสองคถามนะคะ คำถามที่สองคือมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับเพื่อนเราก็เล่าให้ฟังว่าสวดมนต์ใช้เวลาเยอะมากคืออันเชิญเทพทุกชั้นฟ้าแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าการสวดมนต์ที่ใช้การสวดเยอะๆมีกำลังอานิสงบุนกับการที่เราสวดแต่ไม่ได้มากขนาดที่ที่เพื่อนทำนะคะ แต่ว่าเราก็สวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติภาวนาด้วยเลยไม่ทราบว่าการสวดมนต์มากๆมีกำลังแค่ไหนคะการสวดมนต์มากๆมันก็ช่วยทำให้มีสติทำให้ความคิดต่างๆมันเบาบางลงได้บางทีถ้าเรายังไม่มีสติมีกำลังพอเวลานั่งสมาธิใจมันจะคิดมากก็เอาการสวดมาสวดก่อนก็ได้สวดไปแล้วต่อไปความคิดมันก็จะเบาบางลงไป เราจะทำให้เรานั่งสมาธิได้ง่ายได้สบายขึ้นการสวดก็มีประโยชน์เป็นสมาธิเบื้องต้นถ้าเปรียบเทียบเป็นรถยนต์ก็เป็นเหมือนเกียร์หนึ่งเวลาจะออกรถนี่บางทีถ้าเราออกเกียร์สองเกียร์สามมันอาจจะออกไม่ได้ถ้าเราอะไรต้องเข้าเกียร์หนึ่งเช่นเวลาเราจะขึ้นเขาอย่างนี้เราต้องเข้าเกียร์หนึ่งมันถึงจะมีกำลังถ้าเราเข้าเกียร์สองเกียร์สามมันก็จะดับ ฉันได้เวลานั่งสมาธิถ้าเราใช้สติดูลมไม่ได้ยังคิดนู่นคิดนู่นคิดนี่นอยู่ก็มาสวดมนต์ไปก่อนสวดไปจนกระทั่ ง, งจิตมันเริ่มตั้งมั่นมันไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มาดูรมหายใจได้ต่อไปก็เหมือนกับการเป็นเป็นการเปลี่ยนเกียร์ตอนต้นก็เข้าเกียร์หนึ่งก่อนพอรถวิ่งได้มีกำลังแล้วเราก็เปลี่ยนเข้าเกียร์สองค่ะและคำถามสุดท้ายค่ะในช่วงของการเข้ารรษา ในฐานะคารวะควรจะปาวารณาตัวการปฏิบัติเคร่งอย่างไรได้บ้างคะก็ดูตามความกําลังของตนและดูว่าทําอะไรได้บ้างหรืออยากจะทําอะไรเช่นบางคนติดสุราก็อยากจะเลิกสุราบางคนติดเที่ยวก็อยากจะเลิกเที่ยวบางคนติดพนันก็อยากจะเลิกเล่นการพ น, นันบางคนไม่เคยทําบุญก็อยากจะทําบุญอันนี้ก็ ทำได้ตามคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนให้ทำบุญละบาปให้ภาวนาถามอันนี้เราจะเลือกทำอย่างไรทำให้มากขึ้นเท่าไหร่ได้ยิ่งดีกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะข้เจาอยากถามพระอาจารย์อย่างเอย่างผมเป็นแบบคนธรรมดาอะแต่ว่าเรารักษาศีลห้าทำทานทำสมาธิ แต่ว่าเรามีโอกาสไปนิพพานไหมครับก็ยากเพราะว่ามันเหมือนกับยังอยู่ชั้นนะชั้นปรถมอยู่จะรับปริญญาก็ต้องก้าวขึ้นสู่ชั้นมัธยมและชั้นอุดมศึกษาต่อไปการปฏิบัติก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นตอนต้นก็เริ่มด้วยการทําทานรักษาศีลหาไปต่อไปก็มาเปลี่ยนเป็นการรักษาศีลแปดมาภาวนามากขึ้นไม่ใช่เฉพาะภาวนาเฉพาะวันวันพระวันเดียว ตอนเริ่มตน้นก็เอาแค่วันเดียวก่อนหรือทุกวันวันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องเพิ่มเวลาปฏิบัติให้มากขึ้นไปจกกนกระทั่งปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนต้องภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนถึงจะไปถึงพระนิพพานได้หมดแล้วเหรอท้งนี้คำถามที่ประชุมหมดแล้วทางบ้านยังมีอีกไหมเอากลับมาสักหน่อย เลอหลายข้อไหมเลอมากไหมเยอะเยอะอยู่เอาเอาให้ใกล้ๆสี่โงเอาเอาคำถามมันๆหน่อยค่ะคำถามจากคุณสิริวันอยากทราบว่าเวลาครูบาอาจารย์ท่านเก็บกายว่าใ จ, จาเป็นเวลาสามปีท่านใช้อะไรในการฝึกคะไม่พูดคะ่ะ คืออย่าไปถามคำถามอย่างนี้เลยถามหนึ่งของคนอื่นนะให้เราไปตอบแทนก็ได้ยังไงไปถามเขาสิอยากจะรู้ว่าเขาเก็บตัวยังไงก็ไปถามเขาคําถามจากคุณยินดีขณะนั่งสมาธิเราพุโทโธพุธโทโธแต่จิตมันเหมือนเบื่อพุโทโธเราสามารถคิดออกด้านปัญญาบ้างได้หรือไม่ครับเราไม่มีปัญญาเราจะคิดออกทางปัญญาได้ยังไงกลัวจะคิดไปทางกิเลสมากกว่าเนี่ยงั้น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 เลอจะเปลี่ยนเป็นพุทธังสารนังกระชามิธรรมังสารนังกระชามิสังคังสารนังกระชามิก็ได้รือจะสวดออติปิโสไปก็ได้ดีกว่าไปคิดถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะคิดให้มันเป็นปัญญาได้ไงคิดไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นกิเลสไปคำถามจากคุณกวิน ถ้ารู้ตัวว่าโกรธแต่ยังโกรธอยู่ควรทำอะไรต่อครับถ้ามันไม่หายโกรธครับก็พุโทโธไปพุโทโธนี่จะหยุดความโกรธได้อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธให้ดึงมาอยู่ที่พุโทโธพุโทโธสักพักหนึ่งควา ม, วามโกรธมันก็จะหายไปเพราะเรื่องที่ทาให้เราโกรธมันก็จะหายไปจากใจเราคาถามจากคุณจารุวันหนูสวดมนต์ได้ทุกวันแล้ว และจะเริ่มต้นฝึกสมาธิต้องเริ่มต้นอย่างไรคะก็เวลาสวดมนต์เสร็จก็นั่งต่อเลยนังนั่งขัดสมาธิดับตาดูลมหายใจไปคาถามจากคุณจิมถ้าเห็นจิตขึ้นสูงสูงลงต่ำบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างเกิดขึ้นเพราะอะไรครับแก้ไขอย่างไรครับเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีสติอยู่กับพุโทโธให้ลกลับมาอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าออก อย่าไปสนใจว่าจิตยอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรคำถามจากคุณแนนสมาทานศีลแปดแต่ต้องมาทำงานจึงต้องทาแป้งแต่ไม่ทาแก้มทาปากอย่างนี้จะศีลพ่องไหม่เจ้าคะทำไมต้องทาแป้งด้วยผิดกฎหมายเลยผิดกฎระเบียบของที่ทางานเลยหรือถ้าทาเพราะอยากให้สวยการทาแป้งนี้ถ้าทาเพราะรักษาหน้า รักษาผิวถ้าเป็นยาครับช็อตทาได้แต่ถ้าทาด้วยความอยากสวยก็อย่าทำเพราะมันเป็นกิเลสการรักษาสิญปะก็เพื่อที่จะกําจัดกิเลสคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอุเบกขาแตกต่างจากนิพพานอย่างไรครับ อ, อ๋อก็คล้ายๆกันอนะเพียงแต่ว่านิพพานนี้จะมีอุเบกขาตลอดเวลาส่วนอุเบกขาที่ได้จากสมาธินี้เป็นชั่วคราว เวลาอยู่ในสมาธิก็จะมีอุเบกขาพอจากสมาธิมาอุเบกขาก็จะถูกทำลายด้วยกิเลสตัณหาแต่นิพานไม่มีกิเลสตัณหาก็ลเลยเป็นอุเบกขาตลอดเวลา ห, วหมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามอีกไหมอันนี้เปิดโอกาสให้เต็มที่นะเดี๋ยวพอเลิกประชมุมแล้วอย่ามาขอขออีกข้อนึงนะเ อ, ะอามาเ อ, อามา คำถามจากคุณเสือถ้าภาวนาไม่ได้แล้วควรทําอย่างไรต่อครับสวดมนต์ไปก่อนอาจจะเริยนสติไปก่อนคําถามจากคุณธาน ก, กิจวิธีสู้กับเวทนาต้องทําอย่างไรครับก็มีสองวิธีเวลาเกิดอาการเจ็บปวดก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปวิธีที่สองก็พิจารณาว่าความเจ็บนั้นเป็นของร่างกายไม่ใช่เป็นของใจ ใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายใจเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่สั่งแต่ว่ารู้ไปที่ที่ใจทรมานก็เพราะอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปใจจะไม่ทรมานแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บได้มีอุบายวิธีหนึ่งก็หัดชอบความเจ็บถ้าเราชอบแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้เพราะเวลาเราชอบใครเราก็อยากจะอยู่กับเขา ถ้าเราเกลียดใครนี่เราก็อยู่กับเขาไม่ได้พอเจอเขาก็ทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจว่าไหนๆจะต้องอยู่กับเขาก็รักเขาเสียชอบเขาเสียพอชอบเขาก็อยู่กับเขาได้บางคนจําใจต้องอยู่ใช่ไหมต้องแต่งงานกับคนที่เขารวยกับเราอย่าเงี้ยไม่ชอบที่หน้าเขาแต่ชอบเงินเขาก็าทําใจว่าชอบเขาไปพอชอบปับ๊บมันก็อยู่กันได้เองห็นหันมาชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้ ถ้าไม่ชอบความเจ็บก็หัดชอบมันเสียถ้าชอบมันได้ก็จะอยู่กับมันได้เหมือนคนที่กินพริกได้กับคนที่กินพริกไม่ได้คนที่ไม่ชอบพริกนี่พอกินพริกเข้าไปเม็ดเดียวก็โโหทรมานแต่คนที่ชอบกินพริกนี่กินทีละสิบเม็ดก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะเขาชอบดังนั้นหัดมาชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราก็จะได้อยู่กับมันได้มเราไม่ชอบทุกขเวทนาไม่ชอบความเจ็บเราก็มาเปลี่ยน มาชอบมันพอชอบมาแล้วก็จะอยู่กับมันได้คําถามจากคุณเนตรการแผ่เมตตาต้องออกจากจิตที่เป็นสมาธิหรือเปล่าคะถึงจะได้อนิสงส์จิตที่มีสมาธิก็จะเป็นจิตที่แผ่เมตตาง่ายกว่าจิตที่ไม่มีสมาธิเพราะจิตที่มีสมาธินี่จะไม่มีกิเลสมากกิเลสเบา การที่เราแผ่ไม่ตาไม่ออกก็เพราะว่ากิเลสของเราความเห็นแก่ตัวของเรามันทําให้เราแผ่ไม่ออกถ้าเราไม่มีความเห็นแก่ตัวเราก็จะแผ่มันออกได้ง่ายกว่าเวลาทําสมาธิมันก็ทําให้ความโลภโมโทสันมันเบาบางลงไปความเห็นแก่ตัวมันเบาบางลงไปก็เลยทําให้การแผ่เมตตาไง่ายขึ้นหมดได้ยัง อ, อ้าพอแล้วมั้งเหนื่อยแล้วนะขอไว้พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ยังมีอีกมีทุกวันนะถ่ายทอดสดบ่ายสองโมงใครสนใจอยากจะถามอะไรก็เชิญติดตามต่อไปได้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจานำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ